ในอภรท่านผู้ 17 มีนาคมพุทธศักราช 2555 เป็นวันที่ทาง มันเป็นกุศลเป็นกุศลเพื่อเป็นการสร้าง นั่นก็คือพระรัตนตรัยที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นๆไม่ ป้องกันใจไม่ให้ทุกข์หรือดับความทุกข์ที่เกิดขึ้น ที่จะสร้างความทุกข์ให้แก่ อ่าเราอยู่ในโลกของอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองโลกที่เราอยู่นี้เป็นอนิจจังคือ ก็จะต้องบทสภาพไปจะต้องหมดสภาพไปเวลาที่ร่างกายหมดสภาพเช่นเวลาแก่ก็จะมี จากก็จะมีความทุกใจรักของชอบไปก็จะๆหรือๆไม่ให้เกิด สรณะตอนนี้อยู่ข้างนอกใจของเราเช่นพระพุทธรูปที่เรากราบ ยาภายนอกยังไม่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นภายในร่างกายได้ต้องอาศัยยาภายในคือต้องนําเอายาภายนอกเข้ามาในร่างกายเช่นรับประทานยาฉีดยาเมื่อยาได้เข้ามาใน ให้หายให้หมดไปได้หมดไปได้ฉันใดธรรมาตะไหร่ที่เป็นสาวนะที่ๆให้หมดไปภายให ก็ยังตนเหลืออย่าที่เรายังไม่รับประทานถ้าเรายังไม่รับประทานยาโลภะภัยไข้เจ็บ เราต้องน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ปรากฏขึ้นมาในใจมีดวงตาเห็นธรรมนั่นแหละถึง ถ้ามีดวงตาเห็นธรรมมีธรรมอยู่ในใจแล้วผู้นั้นก็จะรู้ว่า พระธรรมก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ นักผู้ที่รู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระธรรมผู้ที่ปฏิบัติจน <ม. S 1> พระ 4 คันนี้ก็จากการได้ศึกษาก็ทําๆมาห้อย ไว้ตามสถานที่ต่างๆตามสถานที่ต่างๆพระพุทธรูปก็ดี เหมือนเราก็รู้ว่าสินค้านั้นไม่ได้อยู่ในป้าเราเห็นการโฆษณาสินค้าบนป้ายโฆษณาเราเห มาทําประโยชน์ให้กับเราได้ฉันใดพระพุทธรูปก็ดีพระ ปรากฏขึ้นมาภายในใจของเราแล้วปลัตนาตราที่ภายนอกก็จะไม่สามารถคุ้มครองเราได้เป็นเพียงเครื่องเตือนสติ เมื่อเรา 3 หัวๆก็คือ 1 ให้ทํา 2 ให้ 3 ให้ชําระใจ เครื่องสาวงนี่เองที่มีชื่อว่าโลภโกรธ ทำให้ไม่เห็นๆนั้นหลุดลอยไปตาที่ก็ พวกเมฆหมอกต่างๆที่ปกคลุมหุ้มห่อพระธรรมอันเลิศ ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์การจะชำระขั้นแรกก่อนขั้นแรกก็ 2 นั้นย่อมเป็นไปไม่ ป.5 ป.6 เลยไม่ได้เราต้องเริ่มที่อนุบาลหรือก่อนแล้วค่อยขยับขึ้นไปทีละ 1 ก่อนชั้น 1 ก็ การทำความดีตั้งหลายดังที่พวกเราทำหลายได้มาทำกันในวันนี้เรามาทำความดีกันเรามาทำบุญ เอา학교่าเอาของ เอาเงินเอาทองมาถวายให้กับวัด ถวายให้กับภาพฤic s serv main อย่างนี้เรียกว่าปาการทำความดีเมื่อเราทำไปแล้วใจของเราก็จะอ่อนโยนมีควาเมตตากรบนา ก็จะทําให้เราพร้อมที่จะก้าวขึ้นสู่ชั้นที่ 2 การละบาปนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทํารักษาศีลหรือการ เช่นคนที่อยากจะหาเงินมากๆอยากๆนี้เขาจะรู้สึกว่าถ้าต้องรักษาศีลคือไม่ทําบาปนี้จะหลอกลวง มากกว่านั้นก็ต้องมีการลักขโมยกันมีการช่อโกงกันและถ้ามากกว่านั้นก็มี ความเมตตาความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์และเพื่อนสัตว์ในโลกนี้เราก็ต้อง ความเห็นแก่ตัวความโลภอยากได้ได้เงิน เพื่อเราจะได้ก้าวขึ้นไปสู่ๆมาอย่างโชคโชนแล้วเราจะ การกะทำที่ไม่ดีต่อๆคนที่ทำบาทนี้จิตใจจะไม่สักดจิตใจจะมีความวิตกการงวน หวาดกREWกับผลที่จะอาจตามมา ของผลที่เกิดจากการกะทำบาทเช่นเราไปสร้ echchashch to serve เราก็กัรงวนว่าเขาจะต้องมาสร้างความเณือดร้อนให้กับเรา ถ้าเราไปทําอะไรผิดกฎหมาย การจะทําให้ใจสะอาดบริสุทธิ์ได้นั้นใจต้องสงบ จํานนใจด้วยการนั่งสมาธิด้วยการได้ก็ก็ควรจะตรวจว่าเรามีศีลบริสุทธิ์หรือยังเราความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นหรือยังเราจากการทําบาปต่างๆได้หรือถ้าเราไม่ได้เราต้องพยายามละให้ได้ก่อนเพราะว่าถ้าเราละได้แล้วใจของเราจะไม่ ไม่ฟุ้งซาจะอยู่ในระดับที่สบายๆ พอเรารักษาศีลได้แล้วเราจะมาชำระใจด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญปัญญาก็จะเป็นไปตามลําดับต่อไปการที่จะนั่งสมาธิได้นี้เราต้องมีธรรมอยู่ข้อ ไม่ให้ไปคิดเรื่อยเปื่อยใจนี้ จับไปโimenode ตาย기�ерхก็จัดไม่ได้ เพราะหลิงนี้เขากมา Beauregirl มากฉะนใดความคิดต่างๆไม่มีความสุขเมื่อไม่มีความสุขใจก็เลยต้องไปหาความสุขจากข้างนอก ก่อเกิดสร้างความโลภขึ้นมาพอโลภแล้วอยากจะ ให้แก่ผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองด้วยให้ๆแล้วอยากจะได้อะไรถ้าไม่สามารถหาด้วยวิธีที่สุจริตถูกต้องตามด้วยวิธีทุจริตทำบาปทำกรรมไปสร้างความ แล้วความเดือดร้อนนั้นก็จะ ทำใจให้สงบนิ่งให้ได้ก่อนพอเมื่อใจสงบนิ่ง การชำระใจด้วยการทําใจให้สงบก่อนแต่การทําใจให้ ต่อไปก็คือการเจริญปัญญาการเจริญปัญญานี้เพื่อสอนให้ใจให้ ไปเกิดในนรกไปเกิดเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานนั้นมันไม่สามารถมาดับความ จับใจของเราได้ไม่เชื่อลองถามตัวเองดูตั้งแต่เราเกิดมาเราโลภมามากน้อยเพียงไหนแล้วดังนั้นความโลภอยากได้สิ่งต่างๆ หรือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายระงับดับหรือป้องกันความทุกข์ต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นมาได้เลย เวลาอยากจะได้อะไรก็อย่าไปอยากเพราะสิ่งที่ๆแต่โดยธรรมชาติ เขาเกิดแล้วก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาพอๆเพื่อที่จะๆพอเราหยุดได้เข กับเราอยู่ได้อย่างสบายเสียงกลิ่นรสและกายเราอยู่ได้อย่างสบายมีเงิน เมื่อถึงเวลาที่ร่างกายจะตายถึงเวลาที่ร่างกายจะตายดังนั้นถ้าเรามีปัญญาเราก็จะชนะความโลภ ไม่ต้องไปควายคว้าหาพบชาบมาๆบุคคลๆที่เรา เวลาเกิดการทะเลาะท้าทายกันก็ไปดูร้องห่มร้องไห้กันฟูมฟายไปหมดทําใจไม่ได้เพราะ พวกเรานี้เป็นพวกที่มีโชคมีวาสนาที่มีศรัทธามีความเชื่อในพระธรรมคําสอนของพระ ความทุกข์ก็จะหมดสิ้นไปจากใจของเราดังที่พระอรหันตสาวกทั้งหลาย คือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนอุจุปฏิปันโนญายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนพอปฏิบัติอย่างนี้ไม่ พวกเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับ พอทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เหตุคือการปฏิบัตินี้เท่านั้นไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่พระธรรมคําสอนไม่ได้อยู่ที่พระอริยสงฆ์สาวกแต่อยู่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเรานี้เท่านั้นจึงขอฝากเรื่องของการมาสร้างศาสนะที่พึ่งทางใจให้ท่านได้นําเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความหลุด จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสม Lòi thua na càm thờn.